ทัานสอนท่านั้งเหตุในตัวของเจ้ของว่าเรามีอะไรบ้างไหมเพื่อจะควรเปลี่ยนยุทธิระจะเพิ่มต่อไปอีกมีอะไรไหมอันนี้มันจุดจุกการมีความหมายอย่างนี้เพราะว่าของเราที่จะต้องเปลี่ยนแปลงนั่นมันอยู่ที่เราอืรากฐานมูลฐานทั้งหมดมันอยู่ที่เรา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 สะอาดอยู่ที่ไหนความสว่างไสวความสงบสุขอยู่ที่น้่นดังนั้นความสะอาดแค่ความสุขตะโกต่างๆนี้ขั้นใจในของน้ำการสคลาอความสุขตะโก็วันนี้ให้มันสะอาดให้มันสะอาดสร่างกายเจให้มันสะอาดนิทานวันนี้ทุกกลุ่มทุกหมู่เราสระชาชนเราทั้งๆให้อาภัยกัน เดินไปตามถนนหนทางเดินไปทีิไห้ก็ต า, ามเห็นกันแล้วกนสะอาดน้าร่างร่างความสุขป็โกออกนันแหละให้มันสะอาดหมายที่นั้นมันไม่แค่เดินกันไปนเฉยๆเพื่อเป็นการสนุกสนานในธรรมะว่าเราพคนมาแล้วคนอันตรายมาแล้วตามอันตรายมาแล้วเราเลยมาพบหน้าพบตาตันดีอกมีใจไม่รู้ว่าจะเอาเรแแดงออก ก็เอาน้ำเย็นๆสาธทันให้เยือกให้เย็นอันนั้นเรียกว่าการแสดงออกทางจิตใจเราชาวไทยที่ที่เป็นน้องกันเมื่อถึงวันตรุษนี้ถือไม่ได้ในจังหวัดต่างๆอำเภอต่างๆจะรู้กันก็ตามไม่รู้กันก็ตามเราทั้งหลายจะต้องเสียสละสิ่ดีมันนะ เอาน้ำสะาดการล้างตาหมายถึงโอวาสของพระพุทธเจ้าถ้าเนื้อล้า ง, งท้อมชั่วออกกันเองก็จะอิสใจแต่นั้นวันนี้ก็เดียวล้างสิงที่สุกโปเปอ่าใครมันสะอาดอจิงที่สะอาดหรือจิงที่สุกโปนี้มันจะอยู่ในจิตใจของเราที่เรานั่งอยู่นี้อยู่ที่วาจารของเรานี้เจมันมีอ ย, ยอู่นี้อยู่ในจิตใจของเราที่มีอยู่นี้ ไม่ใช่ว่าไปาที่อื่นเพราะตรงนี้นี่มั น, ม น, น, น, มมม น, นสุก ป, ปกทำาหานานายยามันสะอาดจะได้ไม่จะทำไม่ได้กายสุกระปกทำให้มันสะาดจะได้ว่าใจมันสุกระปกทำให้มันสะกาดจะกียตใจมันสุกระปกทำให้มันสะอาดจะเพราะสิ่งทั้งหลายนี่มันอยู่ที่ตัวเราไม่จะอยู่ที่อืนเห็นกมน เนี่ะนันได้จะตัวจตาดูของเราก็ได้ไม่ต้องยืนกายนั่งอยู่ในกลุมนี้ตั้งหมดสั้งใครนี่จีตอะไรมากไหมที่มันอยู่ที่มันตรประกบกายมีบ้างไหมตรวจประวกอบวาจานั้นมีบ้างไหมตรประจบภายในจิตจิตใจมีบ้างไหมอันนี้เรจะมอบให้แก่ทุกๆคนที่เป็นเจ้าของกายเจ้าของวาจาเจ้าของใจนี้จะตรวจดูเองประพบ เป็นของหนื่อยากเป็นของไม้ลําบากถ้าเราพบอยู่ที่กายของเราพบที่วิญญาณอยู่ของเราพบจิตใจของเราที่จุดสะโพกนั้นนั่นแหละที่ปฏิบัติของของสัตว์ทั้งหลายกายบสะโพกก็ทําให้มันสะอาดขึ้นมาคือการงานอันใดที่ไม่ต่อทำการงานอัะไรที่ไม่ดีในงานที่การกระทำทั้งหลายนั้นควรถ่ายทอดออกมันสุดสะโพกให้มันสอาด วาจาพอเราอันใดประสารทึ้งมัน เ, ก, นเกิดตุกตุกโลภารู้ที่ดีในใจในวาจาของเราเราควรรู้เรารู้แล้วควรละมันควรถ่ายถอนมันออกไปเรื่องจิตใจของเรานี้พอมันกันแ่นนั้นที่มันสุกตปกที่มันสะอาดนี้ไม่มีใครจะรู้ดีกว่าตัวของเราไปดังนั้นสิ่งทั้งสามประสารนี้จึงขอให้หมอบท่านทั้งหลายเป็นตัวเองไปพิจารณาเอง ให้เห็นเองเพราะว่าถ้าสกปรกแล้วมันจะทุกเองถ้าสะอาดแล้วมันปสบายเองอสองอย่างนี้แหละเป็นตวนมันอยู่ที่สามประสานทกายที่วาจาที่ใจซึ่งพวเราทั้งหายนั่งนี้นี่มีซ้อมอยู่แล้วมือทรัพยตรโองขันานสงสั่งสอนทั้งหลายและมีเหตรู้จัก งงสงศักดิ์คำสอนของสันรตระในว่าจะปปปัสจะอัตลานางธธาังพุตตะสุปัจะปัจจ่าสัสิกะปริโยตพันนังานการไม่กระทำความชัว่วใดๆทั้งหมดเลยไายวาจ า, ายนั่นเนี่ยเอชังปุทตะศาสนังอนันตเป็นดักของพุทตศาสนาเป็นหัวใจของพุทตศาสนาอันนันเป็นหน้าที่ของโพรจะประพุธธตตะจิวาเอง กุศลทูป ส, สัมปทาเมื่อตายวาจาขอเราตายเนี่ยจิตใจก็สงบเอจิตใจสงบแนีแ่บุญกุศลเกิดขึ้นที่ตรงนั้นที่สะอานั้นซาจิตตะปะโยสะปะนังเราทั้งหลายมาทาจิตใจของเราเป็นต้นให้หมดความเศร้าหมองให้หมดความหลังหมดความสงสัยหมดราคะหมดโทสะหมดมหันนั้น คิดใจดตวยปองใจรใจเอตังพุทธศาสนาสิ่งทั้งสามประการนี้เป็นหัวใจพุทธศาสนาเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าอือันนี้พวกเราชาวไทยทั้งหลายนับถือพุทธศาสนาอันนี้จงเอาหัวใจของพุทธศาสนานี้มาพิจารณา ให้ตั้งยินในกายของเจ้าของตั้งยินในวาจาของเจ้าขอมตั้งอยู่ในใจของเจ้าขอมถ้าเราําระสิ่งสุขภูมิทั้งหลายเท่านี้ออกอืมแล้วพอสัมฤทธิ์เองเราไม่มีใครมาบังคับบัญชาเราสัมฤทธิ์ออกทงวาจาก็ดีทางจิตใจก็ดีอันนี้เป็นเรื่องของเราเรากันทั้งหลายฉะนั้นวันนี้จึงให้พวกเราท่านทานั้งหลายตรวจดูตัวตัววันนี้อะไรบ้าง มันมีอะไรว่างในกายของเรามีไหมที่วิจารของเรามีไหมที่ใจของเรามีไหมเมื่อเราตรวดสวสดแล้วเราจะมีสัมมาทิที่ความเห็นนั้นถูกต้องบุคคลเรามีการงานหลายอย่างทำกันเป็นสูงเป็นข้อเมื่อความผิดหวังเกิดขึ้นมาย่อมเป็นเหตุให้เราเกิทุกข์เราทำอันตรายต่งางๆได้ ให้เดียดเดียนก็ดูดจะได้ให้ยิษาค็ดูดจะได้ให้สมองให้ก็ดูนทุกอย่างอันนี้เพราะอะไรเพราะความผิดหลังของเรานะที่ไอ้ความผิดหลังนี้เป็นเหตุให้เกิดปัญหาเกินมาปัญหาขึ้นมาให้ตายเราสุขะงบให้วาจาเราสุขสงบให้จิแกจเราสุขะพบถ้าเราไม่คิดถึงธรรมะเรื่องใน่คิดถึงธรรมะอันนี้เป็นเหตุมากมายตายทอง ท่างนั้นเช่นว่าเราไม่รับรู้คำพูดของบุคคลอื่นบางสิ่งบางประาการเช่นว่าเขาจะดูดถูกเราเขาจะว่าเราไม่ดีเขานินทาเราเป็นี้เป็นต้นเขาขใจว่าเราทำผิดอย่างนี้เป็นต้นที่เราถูกเขาว่าให้เรานะั้ให้เราเข้าใจว่าปัจจุบันเดียวนั้นเรากำลังได้รับการศึกษา เราเลยรับการส่ข้อจากบุคคลอื่นเขาที่เขาว่าเราไม่ดีนั้นเราควรทำให้เป็นโอปนายโกน้องขอมาที่เขาว่านั้นดีหรือไมู่กหรือไม่เราควรรับรู้ว่าอันใดมันดีเรากวส่งไว้อันใดที่เขาว่ามันไม่ดีนั้นเราพยยังเสียออกไปเรื่อยๆไปทีนี้การสูกเขามีทางการกาส่งเขาเสนอนั้น จะเพิ่มคูณประโยชน์ให้แก่พวกเอาทั้งหลายเท่านัา้นเป็นต้นการยินทาเนีการเสนอเสื่นี่ยจเป็นผลทั้งนั้นเลยเมื่อเขายิาของเราว่าอะไรเราว่าเราไม่ดีตรงไหนไม่มดีมีไหมบางทีมันดานี่ยสะอาดดีอยู่เี่ยออกไปละกมันไปเสี้ยที่เาเสนเสร่อเราอยู่ว่าเราดี มันดีเีงไว้หรือเราไม่ดีอยู่เขารักเราเพราะว่าเรามีส น, นั่นราไม่ดีแต่คนคิดจะได้นักอย่างนั้นเมื่อเรารับรู้เช่นนี้ก็เรียกว่าเราเป็นผู้ผิดรับการผิดรายเวลาตาเรามีามามามาหูเรามีจมูกเรอมีจมื่นเรามีตายเรามีกิตจะมีอยู่ เมื่อเราสัมผัสสู่ต้องเลยยินอยู่ทุกสิ่งทุกประการนี้ก็เรียกว่าเราได้รับการศึกษาทุกเวลาเพรานั้นอรสมาจึงให้ความเห็นว่าวันนี้เป็นมันสู่สงสารควรจะล้างมันออกที่อน้ำล้างออกนั่นจะอล้างอันใยล้างอกนปโนนธรรมในความชั่วความผิดทางหลักเมื่อเรามีความเมตมาแล้วพอทำให้มันสู่เีย เมื่อเรามีความสุขปลูกมาแล้วเราทำให้มันสะอาดที่นี้ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็งเราเป็นของไม่ยากฟังง่ายดูง่ายเห็นง่ายแต่ทํายากนี่หนึ่งทำไมถึงทํายากมันไม่เห็นตามที่จริงถ้าเราเห็นพัดต่อไปแล้วก็เป็นของไม่ยากเห็นพัดอย่างไรการงกระทําทความชั่ ว, ม, วมันก็ได้ชั่วการงกระทําผิดมันก็ได้ผิดที ถ้าใครเห็นความชั่วทั้งหลายเป็นเช่นนี้แล้วตามเช่นนี้แล้วเล่าก็รักความชั่วตันทีไม่เช่นก็เชื่อจากที่นั่งมีไปพออะไรรินความชั่วแล้วก็รักตรงนี้เมื่อเราเห็นยาพิษนั้นมันเป็นพิษเมื่อเราออกจากยาพิษรู้จากยาพิษแล้วก็บอกลูกเราบอกหลานเราบอกเพื่อนบ้านเราว่าอันนี้อย่าไปกินมันเลยกินได้จะเศร้าตาอย่างนี้ถ้าเรามาคิดเช่นนี้แล้วคําสอนของพระพุทธเจ้าต่ อ, อนั้น เป็นคําสอนที่กระชุนง่ายที่สุดไม่ยากขอให้เห็นธรรมะใครเป็นผู้เห็นธรรมะเพเาะมันสำรับใครคนเห็นยาพิษใครเป็นผู้เห็นยาพิษใครเป็นผู้เห็นกําลังของยาพิษถ้าเราเห็นกําลังของยาพิษเห็นเด็ของยาพิษว่ามันเป็นอย่างนั้นก็บุคคลนั้นน่ะเห็นยาพิษเปิดทีมันตรักผู้ คนทั้งหลายเห็นความชั่วทั้งหลายนั้นเหมือนกนจะเหสพยาพิอืมเมื่อใครเห็นความชั่วตามเป็นจริงเท่นนั้นกับคนนั่นเห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะคนนั่นตจงเลิกปัญหาน้อยตัดปัญหาทั้งหลายได้สุกสิ่งทุกประการทีนี่ธรรมะจะถึงของช่วยเราช่วยความเพียอยู่ของเราช่วยชีวิตของเราช่วยอะไรใดของเราทุกอย่างคือธรรมะ นี้จะนั่นวันนี้ท่านจึงบอกว่าเป็นบันจุดสงการเมื่อมีอะไรตกเลียวมันเราเทียอยากให้มันค้างู่นานเมื่อนการเสพที่ร่างกายของเรามันเกิดขึ้นมานั้นเนี่ยหรือว่าน้ํายอดเท่าเราอย่างเนี้ยเราจะให้มันเราเราจะถอนมันวันนี้หรือถอนรุ้งนี่ดีดีตัวหรืออีกจัดอาทิตย์หนึ่งจึงถอนหรือเปล่าคนหนึ่งว่าวันนี้เราปวดท้อง าการปวดท้องของเรามันเป็นทุกข์ทุกข์นี่อยากจะหายยังอย่าให้มันหายวันนี้อรือตรงนี้ดีกว่าด้วยสักกะชิดหนึ่งจริงจะให้มันหายถ้าเราเห็นเช็นนี้การปฏิบัติธรรมะมันก็ง่ายขึ้นริง ท, ที่มันไม่ดีในกายในวาจาในใจของเราน้นนะ่ๆอย่าให้มันนอนเนื่องไปเลยมันไม่เกิดประโยชน์มันทำให้เราเ ด, ดือดร้อนมันทำให้เราเป็นทุกข์เป็นต้น ฉะนั้นออสัพพะทัเจ้าสันติแหระลาสิ่งที่มันมีอยู่ในตัวคนเรานี้ไม่ใช่ไปบวชเป็นพระไม่ใช่ไป ป, ปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติที่ไหนเป็นฆราวาสก็ได้เป็นพระก็ได้อยู่ในว่าเราก็ได้แต่ว่าให้รู้จักผิดให้รู้จักถูกเชบบก่อฟไอ้ความผิดมันเป็นอย่างไรไอ้ความถูกมันเป็นอย่างไรให้รู้จักนี้ ถ้าไม่รู้จักกันนี้ก็ไม่รู้จักการละไม่รู้จักความจิตก็ไม่รู้จักการละถ้าไม่รู้จักการละก็ทำจิตก็ไม่รู้จักเหมือนกัรแต่ทาบุญของคนสกวันนี้โดยมากคนที่ไม่รู้จักบาปไม่รู้จักบุญวันธรรมดาธรรมดายังดีกว่าเลยคนไม่รู้จักรวยก็บุญบุญอยู่นั่นแหละทำแล้วก็ดีใจ ไอ้ความเป็นจรนั่นเราทำบาปไม่ใช่เราทําบุญถ้าจะทาบุญชิดนั่นอยู่ธําราความเหมือนวันนี้ดีกว่าเราควรไปกิป น, กนสัตกตว์ตะเวคาวันนี้วันนี้คือวันทําบุญการจะทําบุญนั่นอย่าพากันหงในบุญบุญนั่นคือความสุขชนิดหนึ่งถ้ามันเกิดขึ้นมาและขอโอกาสด้วยขอโทษดูนะมันตัวนี้ความสุขได้แมวก็มีความสุขได้ เมื <travail> ่อ <hazard> ส mm ุน hmm. so, ouais. ักม so, so, so so so, so, ีความสุขเกเดใวแมวบุญเกิดในสุนะเมื่อความสุขเกิดเป็นในแมวได้แมวปฏิบัติบุญเกิดเป็นในในแมวนั่นเมื่อบุคคลสร้างบุญเฉยเกิดนั้นมีสัตย์ชื่อยเกิดนั้นก็เป็นทนั่นมันตันไม่เกิดประโยชน์ขึ้นความสุขเนี้ยตัดมันตัวมีขงมานได้มันก็เป็นบุญของมันได้ทุกสิงทุกอย่างมันก็เป็นบุญขงมันได้ไม่มีความสุขได้ทุกนั่นคือดีกว่บุญแต่เราไม่คิดเห็นมาเราพูดกันว่า ไปสร้างบุญสร้างผู้สนบุญชนิดนั้นมันเป็นบุญอย่างหนึ่งไม่เป็นผู้สนส่วนผู้สนไม่เป็นเช่นนั้นไม่พือแต่ความสุขอย่างเดียวความสุขอันนี้มันเกิดมาจากอะไรของนี้ได้มาจากอะไรมันเป็นอย่างไรต้องมีปัญญาสอบค้นดูว่าเกิดมาจากอะไรเช่นบุคคลกลุ่มหนึ่งเคยได้คิดว่าได้มากๆแล้วเนมันเป็นบุญ ถ้าไม่ได้เนะี่มันกินบาปมันจะได้มาจะได้กว่าช่งมันเยอะขอเช่นมันได้มากก็ในเป็นบุญนะถ้าอีการาาหนึ่งนะในเวลาหนึ่งในการหนึ่งเขาจะเห็นว่าหนังมนุษย์นี่มีราคามากนะมีราคามากจะเลยกิโลหนึ่งหลายหมื่นบาทนะไอ้อคนกลุ่มมันจะหาตะเวนเอาหนังมนุษย์เราจะมีที่อยู่กันไหม อืนี่มันจะมีที่อยู่จะฆ่ามนุษย์เกลียดตาเดียว่าเอาหนังมันไปขเพราะหนังมนุษย์มีราคาอืมมันเป็นแบบนี้ทหารวาเทียนเห็นนั้นอืมเมื่อบุคคลเราหาเรี่องที่ในทุวนันนี้จะได้มามากๆเป็นดีถ้าได้มาในทางที่ไม่ชอบมันจะดีไห ม, ถ, มถ้าโค้นธรรมาถ้าโกงธรรมาหลอกลวงธรมรมะยึดช้าธรรมะไถบาทรธรรมะมันจะดีไหม ถ้าหากว่ามันดีเกินนั้นให้เขามาโกงเราจะดีไม้มให้เข้ามาขโมยของเราจะดีมไห ม, มทุกอย่างถ้าเราคิดต่อไปกลับมาชนี้จะได้เห็นว่าบุญนั้นจะต้องประกอบไปด้วยปัญญาจะเรียกว่าสร้างบุญสร้างผูศสนผู้นนสนนั่นเรียกว่าความฉลาดอืปุตตะโรคือความฉลาดคนฉลาดนั่นแหละ คนชนะเนะรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปรู้จักบนคูอความชนะคนที่มีคนถูกเจ๊เฉยในแม่รู้หลงมันสําห์อะไรอยู่ในพ่ออะไะมันไม่ฉลาดอะไร้หรอืมเขาอาหารทุ่มเข้าไปด้วยจิ้มต่อไปยนว้นนี่ไม่รู้เรื่องว่าเขาเลี้ยงเราไว้อะไรไม่รู้จักขอจะให้มา ก, กินในเราอ้ว น, นี่ย่างไรกตนอนสบานะ มันไม่รู้ถึงว่าอีอีหลายวันนะเนี่ยดูตะะโรตะะเขจะมาบันทุกข์เข้าไปในเมืองมันไม่เคยคิดเห็นน้นยางไส้มันการเราเลี้ยงมันไว้ตอนเช้าก็ก้าวให้กินตอนเย็นก็ให้กินมันรักเมื่อเจ้าของเรีย ม, ม, มันมาตัมันก็จะมันรักเจ้าของาเอาข้าวเปลือกสานโให้กินก็นสบายอี ก, อก เดือนหนึ่งซื้อที่ห้าวันเพระจับตัวมันยกขึ้นมาดูไก่ต้องคิดว่าเออจะของในรักเขาไอคนจริงๆมาคิดจนทำโดยกานไอคนเท่อันนี้นมันเน็กกี่กิโลแล้วเนยกดูไก่ตัวนี้มันจะกี่กิโลแล้วจะได้กี่บาทแล้วนี่เจ้าของไก่นึกอย่างนี้ไก่ไม่รู้เรื่องคนนึกว่าเขารักเราแล้ว ย, ยกนะไม่รู้เรื่อ ง, อ ง, องเขาโปรยก็เปิดสาสาในการกินกับกินไปให้ จนมันโตมาเลหลายโลลตโวแล้วพอสมควรแล้วอืมเขาบรรทุกมาใบ้านเจ๊กนู้นไะปยังแย่ยอาหารการกินกันไปบางตัวไปยังขันสบายไม่รู้เรื่องอะไรเดถึงบ้านเจ๊กนู้นแหละเขาถอนขนคอออกมายังไม่สอดเพราะจำส้วนสะอาดให้เราดูอีกเพราะมันไม่รู้เรื่องอะไรอันนี้ทุกคนไม่รู้จักนี่มันอาศัยบุญอยู่มันอาศัยความสุข เท่าไรกินมากมันประสุกมากใครกินดีมันประสุ ก, กดีมันมีรู้สึกนี่คือคนไม่มีปัญญาคนทําบุญสมัครฐานก็นต้องมีปัญญาถ้าไม่มีปัญญามาสุมัครไก่กับหมูเท่านั้นแหละหรือจะประสุกเท่ให้กินดีนอนที่ประสุกยิ่งแน่นแนะแต่วันทั้งไม่เป็นปนั่นนะต้องขึ้นแกะคอนะเอาเนื้อไปกินเนื้อไปได้อันนั้นเนี่ยหมูนะั่นมันก็มีบุญอย่างนั้น ใจเมื่อก่อนเลยดูจัก บ, บุญอย่างนั้นเป็ความสุขมนุษย์เรทั้งไหนพ้นมาจากนั้นแล้ว่าไอ้สิ่งที่ไม่ดีใ่งามมันก็มีความสุขเมื่อการโกงได้มาก็มีความสุขโกงมาจะมีความสุขเแต่ว่ามันเราของเข้ามามันไม่สมดั่ไม่เป็นสัมมาชีวะอันนั่นก็ไม่ดีมีแค่นั้นาการกระทาบุญนั้นให้นึกถึกว่าบุญผู้สงบุญผู้ส่นี้จ้อเป็นคู่เทียงกันไปนี่เป็นปลา บนญนี่ก็เหมือนกันกับเนื้อผู้สูญกเหมือนกันกับเลือดถ้ามีเจเนื้อกเปล่าก็เน่าหมดเะ่านั้นแหละถ้ามีเกลือเข้ามาขยำเข้าเนื้อนี่มันก็มีเน่าชั้นใดกัฉันนั้นการจะทําความดีทางหลายนี่ก็เหมือนกันฉันนั้นจะต้องมีปัญญาดีอย่างเดียวก็ไม่ได้ดีไม่มีปัญญานี่ดีไม่มีปัญญาดีนั่นต้มีโทษดีมีปัญญาดีนั่นจ่ายพุทธะโทษ ดีที่ไม่มีปัญญานั่นเป็นดีนอกพุทธศาสนาไม่ใช่คําสอนของตัวพุทธเจ้าของเราดีเช่นั้นตัวเราก็เรียว่าดีเหมือนยาพิษมันดีดีเหมือนบุรุษทีิโอชนาขายยาพิษยาพิษของข้าอย่างนี้ให้คุนอาตินกว็วตายให้มนุษย์กินกว็วตายให้ไก่กินตัวตายให้ตัดทั้งน้ำจินตายทั้งนั้นเยอะเชนไม่ซื้อยาของของขันยาดี ถ้าทันมันดียังแม่จริงไหมกาให้คนขายยากินยาพิษถ้ามันดีนะแต่ว่ายามันดีดีแต่ว่ามันตายอะไรกินก็ตายก็ตายเขาเรียกว่ามันดีถ้ามันดีให้รจะของขายยากินจะกินไหมไม่กินดีแต่แล้วตัวเรามันจะตายดีนั้นดีดีนอกพุทธศาสแต่นาดีอันนั้นดีมีโทษดีสุขสงบดีไม่สะอาดดีไม่นงบ ดีในทางพุทธศาสนานี่ดีปรศาศจากโทษการกระทําบุญในพุทธศาสนานี่ผมมอนกันแต่ น, นั้นทาบุญต้องอประกอบไปด้วยปัญญาปัญญานี้เพื่อไรทําอะไร ท, ไทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นส่สสวนที่ต้องประกอบไปด้วยปัญญาอืมที่เรีว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันนี้ดีฉะนั้นอันนี้ถ้ายังไม่มีในวันนี้ขอพยายามที่มีขึ้นไอความโมททาง่ทั้งหลายที่คิดในถึงในใจของเรานั้น ก็เสียมันออกไปวุฒิคนเราเกิดมาควรรับทุกสิ่งทุกอย่างสอนทาสอนของคนทำผูดของคนทุกอย่างควรรับรองควรฟังฟังมันจะถูกเราก็ต้องฟังมันจะผิดเราก็ต้องฟังฟังไปเพื่ออะไรเพื่อประดับความรู้เมื่ออันนี้มันผิดเราก็เอาไปปฏิบัติปฏิบัติยังไงคือละมันขี้งกียอืม เมื่อมันถูกเราก็นำไปปฏิบัติปฏิบัติเพื่อบางเปลียนเปล่ยนมาเสเหมือนกันเราเราเห็นของสตุปปุกมีของสตุปปกเราต้องรู้สตุปปุกมันอยู่ตรงไหนที่สอาดก็อยู่ตรงนั้นไอ้ความผิดตรงไหนอยู่ตรงไหนไอ้ความผูกก็อยู่ตรงนั้นิที่นั่นคนเราท่านไหนว่ามีชีวิตอยู่แล้งเขาผ่านอยู่ด้วยด้วยทุกวันทุกเวลาบาปกุลงุนทุกมันเปลี่ยนอยู่เปลี่ยนอยู่เปลี่ยนอยู่ทุกวันทุกวันเราก็เห็นอยู่ตัวนี้เป็นต้น ชีวที่มันผ่านมานั้นแล้วีวิตที่ต่อไปนี้คนตรงเหมือนกันมันจะแตกต่างแค่ว่าเราเปลี่ยนจิตใจมีความรู้ความเห็นขึ้นมาฉะนั้นอาจจะมาทึ่ไห้ทัากันฟังแมาพิจารณาอันใดที่มันสุกตะโพกอันนั้นจะไปเก็ดออกเบียมันดอกเบี้ยทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางจิตใจพอดีอันใดที่มันสะอาดแลต่ก็เพิ่มโพลที่มันสอาด ให้มันสาดสวยงดงามถ้าเราทั้งหลายในหมู่มนุษย์ทั้งสวงนี้ถ้าเราทั้งหลายเมื่อลงสู่ธรรมะเส่อมีเนี่ยอาจจะมาว่าบ้านเมืองเหล่านี้จะสงบเดี๋ยวดินสงบมากเพราะคนาศสาสไป์ศาสตร์ธรรมะไม่สนใจในธรรมะไอ้ธรรมะนี่เป็นของมีคุณค่าหรือเกินถ้าเราเข้าใจแบบทำไม่ได้ไม่ได้ทําครมชั่วไม่ได้ทําได้แต่สิ่งที่มันดีเท่านั้น ทุกวันนี้คนมีธรรมะเยอะไปอ่านธรรมะพูดธรรมะมากแต่คนปฏิบัติไม่คนมีจึงไปพูดบ่อยๆอัตมา ก, ก็เคยได้ยินบ่อยๆว่าอย่าเห็นแก่ตัวกันอย่าเห็นแก่ตัวกันพูดอย่างนี้หลายมากที่สุดแต่ว่าข้างในมันก็จะเห็นแก่ตัวอยู่เสมอเมือม่อความเห็นแก่ตัวชนิดนี้อยู่พูดธรรมะออกมาไม่เป็นประโยชน์พูดความดี อ, อไปเนี่ยเป็นประโยชน์เนี่ยจะพออย่างยิ่งกว่ายันอัตมาเลยแนีะ เป็นครูเป็นอาจารย์บางคนหรือญาติโยมทางใาในในหเป็นต้นเป็นเจ้าเป็นนายเป็นแบบที่ดีของมนุษย์ทางใดส่วนนั้นอันนี้ควรที่นีควรพิจารณาสริงทางายเหล่านี้ให้มันเกิดขึ้นมากอันใดที่มันดีทําดีไปแล้วพูดดีไปแล้วทําดีแต่อันนั้นมีอํนนานาจมีอํนนานาจมาก เ, เกินไปแต่ถ้าไปนหน่อยหนึ่งในทันใจของเรามันทางละเอียดคนไม่ไปเห็น S <S เป็นต้นตการประพุติปฏิบัติธรรมานี้ถ้าหากว่าเราพูดให้มันดีฟั้งให้มันดีเราจะไดเห็นมาการการทำบุญการการทำความดีนีน้เมื่อ น, น, นึกว่าจะทํามันก็ไดแล้วการจะทําความชั่วสมการนึกว่าจะทํามันก็หาทางและเบือดร้อนไปมาแล้วไดมาแล้วฉะนั้นการทําดีต่อได้ดีการทําชั่วปฏิชั่วคานี้ยังมี เหตุผลยังมีคุณค่าราคาอยู่ทุกวันนี้กับบุคคลที่มีปัญญาถ้าว่าคนไม่มีปัญญาแล้วคาที่ว่าทาดีกด็ดีทําชั่วกว็จะชั่วนี้ไม่เกิดประโยชน์เลยถึวันนี้เพราะเขาเห็นว่าคนทําชั่วด็ดีเยอะคนทําดีดีชั่วกว็ามากอย่างนี้เขาเพ่งไปถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นพุทธศาสนาอันนี้ไม่แน่นอนไม่จริงผมทําดีมาเยอะเกินม่เคยได้ดีเลย ทำงานธนาคารจีเงินเดือนมันควรจะคืนนะนี่เขาประมาณเวานคือเนี่ยเงินเดือนมันงรีบออกหน้าเลยเก็บใจเดือนคืนนี่อย่าคุนไปทวงเหมือนคือเราทําการงานอะไรเราก็ให้มันดีในการงานเอาในวันชั่วในการงานเราทาที่การงานของเราหน่อยทําไปเถอะนี่มันมีแค่นี้ก็เอาแค่นี้ไปตอนอย่าไปทวงมันถ้าทวงแล้วมันน้อยใจยเลยแม้คนอื่นมาสุดหลังเราวิ่งออกหน้าเราเพีงเดียวนะ เรายรียนนมนานเนี่ยเนื้อเกินอาคิดอาพักใจไม่สบายเมื่อไปควงมันทุกกีทุกขึ้นทุกทีเมื่อไปควงมันทุกทีไม่ดีขึ้นทุกทีเกิดไม่ดีขึ้นในใจของจะาของแล้วเกิดคิดอาพักอับจนไปเช่นนั้นอันนี้ก็ให้ทำไปก่อนทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อถึงคราวถึงเวลามันมันกินเกมาได้เพราะการกระทําเงินเดือนไม่ดีทําการงานนี้ให้มันดีขึ้นมาเด็กมันจะดีขึ้นตรงนี้ มันไม่ไปดีอยู่ที่ขอรองเอามันดีที่การกระทํำนี้การกระทำดีนี่แหละมันจะให้ดีไม่ใช่ที่อื่นท่านมันดีไปเจอทามันมาจนไม่มีใครให้มันเดือนขึ้นแล้วก็ได้ความดีของเรามันไม่เสียหายอะไรหรอกมันไม่เสียหายทํามันนี้มันก็ดีดีอยู่เรื่อยๆไปอย่างน้อยที่สุดจะเป็นคนรวยะรวยความอดทนรวยความสงบสงัดรวยความดี ร้อยสิ่งที่ม่มีโทษทั้งหลายท่านเรียกมาบุญนั้นอันนี้ควรอะไปพิจารณาแค่นั้นถึงมันต้องการสิ่งนี้ควรฝ่ายเทมันควรมองรูปอดีเรื่อา ด, ดําเนินงานการมาได้มันเป็นยังไงมีอะไรบ้างไหมที่เราทำมันนั้นมันผิดไหมมันถูกไหมมีอะไรแก้ไขไหมที่เราจะทําต่อไปทางหน้านี่การงานเราจะทํำยังไงไหมมันจะถูกไหมมันจะผิดไห ม, ม อะไรเป็นส่วนให้พินิษฐ์ให้พิจารณาเมื่ออาการกระทำผิดเพื่อทําไปแล้วมันแก้ไม่ได้มันแก้ไม่ได้ทำผิดมันแก้ไต่ได้แต่พุทธเจ้าต่ัสอนว่าไอ้ความผิดหน้าเล็กๆน้อยๆเมื่อข้ามมันไประยากให้เอไอ้ความดีนน้อยๆตัวนึกว่าย่ามันย่าเข้าใจว่ามันจะมาแห่ฝนมันจะต้องแห่ฝนเพื่ออะไรมึงเห็นได้ไอ้ความดีกับความชัวอันนี้อืม มันเป็นเช่นนี้ไอ่ความดีน้อยอย่าพึ่งหวังมันจะดีความชั่วในน้อยอย่าพึ่งว่ามันไม่ไมให้ปดเราอย่อย า, าไป เ, เข้าใจผิดนั่นไอ้ของที่มันใหญ่มันโตมานี่มันเกิดจากของเล็กๆน้อยอย่างชีวิตของเราอายุของเราเพิ่มมาเลยห้าสิบหกสิบสี่สิบเนี่ยมันต้องนับมาตั้งแต่ยีเนคันก็เป็นหนึ่งวัน หนึ่งนาทีหนึ่งวิงนาทีมาตลอดปานนั้นมันโตขึ้นมาเพราะความล็กอันนี้ของมันการนั่นผูนนน้มีปัญญาแล้วเมื่อา ก, การงานหรือหน้นาที่ของเจ้าของนั้นไม่มีโทษและสบายให้ความดีทําแล้วไอ้ําที่ไม่ดีทําแล้วเหลือร้อนภายหลังการงานอะไรทําแล้วเดือดร้อนในภายหลังตํานั้นไม่ดี ทำอะไรที่เราทํารื่อกายแล้วเหวยวาจาแล้วเหวีว่ยใจแล้วพ่ายหลังไม่เดือตร้อนทำนั่นดีอือันนี้จริงหรือไม่ก็รู้ว่าเธอถ้าทําอะไรไม่ค่อยดีแล้วมันมันมัเดือดร้อนภายหลังแค่นั้นจริงไหมมองถึงธรรมะธรรมะไม่นอยู่ที่ตัวของเราถ้าอยู่ที่ตัวของเร า, เราพิจารณาธรรมะเรารู้จกดีชัว่วทั้งหลายเท่นั้นตการกระทความชั่วการกระทํำกลมอย่าไปมองคนอื่นเลย จะทำความชัว่วจะมองมคนเดียวใ่ไหมครับมองคนเดียไ ม, ม่มือแลจะไปทำนีจะไปคิดกนะท้าไม่คิดกันตัวนายจะเห็นตัวคนเดียวจะรู้ตัวใครจะรู้ตัวคนจะเห็นเรารูบอกไปทำคนเดียวจะดีกว่านคนโง่ก็ต้องเป็นอย่างนี้นึก่ไปทำคนเดียวคุณนึกว่าคนม่ดไปทำาน่ยใครจะทำานคนดีไปร เราก็เป็นคนในดูเรื่องอันนั้นมันดูถูกตัวเจ้าของจะแล้วถ่าไปทำอยู่ที่ไหนก็เราทําแล้วทําอยู่ที่ไหนคนจะเห็นคนแต่คนก็คือเราไม่ใช่คนคนอื่นถ้าเราเห็นเป็นนี้เนี่ยไปทําที่ไหนก็ไม่ได้ดังนั้นเมื่อเราทําอะไรอะไรแมวตาสูขซ่องกรรมทำอะไ ร, ะไรไ ม, ไ ม, มันสบายใจนอนก็สบายยดินก็ส บ, บ, บายเดินก็สบายความสบายเช่นนี้มันจะมีเงินล้านเงินป่วยไปชังมันเถอะมีมาดำมาเดือดรอนนั้น ไม่เกิดขยุน์อะไรมันมีบ้านหลังใหญ่โตโตก็จริงๆแต่มันเดือดร้อนอะไรทุกสินทุก อ, อย่างวุ่นวายนั่นอันนั้นนะอันนั้นก็ไม่ได้เรื่องเหมือนกันไม่เกิดขยุน์เลยเราทา ง, งานทุกวั น, นพอมีพอกินพอใช้พอสม่วนแล้วนะอันนี้ก็สามีภรรยามีความเห็นถูกต้องันแล้วตุ้มเปลี่ยวกันเนี้ยอยู่นั่นก็พอสบายแล้วสบาย แต่ต้องคิดสงคนมันย่อมเป็นอย่างนี้นะถ้าจนเนี่ยอยากรวยถ้ารวยก็อยากจนอีกเป็น ต, ตองเหตุเองมันจนตัวเองทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะ่ะขั้งแรกมันจนก็หางเงินหาทองพรารวยเึิมาเมื่อรวยเกินมาปรมีบ้านดังนี้ก็ อ, อยากมีบ้านดังนั้นอีกมีรถคันนี้อยากมีรถคันนันอีกมีเงยคนนี้ก็ อ, อยากมีเงียคนนันอีก มีแสดงหาสุไม่ดีแล้วบุญนีเนี่ยเนี่ยนี่เรียกว่าคนดึงตัวของเจ้าของไม่ใช่อย่างนั้นเราสันพุทธีจักแห่ความยินดีในของที่นี่อยู่นั่นเนี่เป็นสาถาเถรีที่พระพุทธเจ้าพันธกานไว้ให้ฉะนั้นวันนี้ที่ให้อวาตแก่ญาติโยมทั้งหลายอที่เป็นผู้มีเสียทั้งหลายมานั่งฟังโอวาทวันนี้ ถ้าหากว่าอันใดที่มันผิดคลาดไม่ทุนเกตธนาหมายของตกตันต่างายนั้นปนพอจะให้อภัยเรื่องแล้วจริงจริงที่มันดีนั้นเป็นประสุตปฏิบัติอันนี้ธรรมะอันนี้เป็นธรรมะง่ายๆเป็นธรรมะ ง, ง่ายตั้งง่ายแต่ว่าปฏิบัติยากเล็หน่อยนีแต่ว่าถ้าใครเห็นโทษมันอย่างจริงจังแล้วต้องปฏิบัติง่ายนี้พิ้งมันทันทีทิ้งทันที นะมันเป็นแค่นั้นเหมือนกันแต่คนเห็นความจริงได้เห็นความจริงนั้นไนม่ย่อมซิ้งเหมือนคนเหมือนบุรุษก็ไปตุ่ปลานะไปตุ่ปลาตุมปลานะเนี่ยเมื่อตุ่มลงไ ป, ล ป, ลนะนะปลแล้ว่เอามือร่วงลงไปทํำดูได้จับสักอันหนึ่งดีกให้ค่ายงูให้ค่ายปลาไหลสงสัยเนี่ย จะจับมันมาให้ตัวมันจะตัดตัวมันจะเป็นงูจะทิ้งมันทุกตัวมันจะติดปลาไหนะสองอย่างก็เลยทั้งตัวทั้งเอานะพอดีจับมันจะมาจับจนมาเมื่อมันคนน้ำเป็นมาแล้วเห็นแต่คอมันเลยลายวางทุกเป็นงูไม่มีใครบอกเลยนั่นมันง่ายที่สุดถ้ามันกปนนตรายเพราะว่างูนะมันตัดคน ถ้าเห็นเรามันเป็นมูชัดเจนเนี่ยผมวางจันทีเลยไม่มีใครบอกเลยตัวเราก็บอกในฐันเียมันบอกว่าอะไรก็ไม่รู้จักของมันถ้าเห็นเป็นบาปเป็นอกุศลต่างหลายแล้วผิดเห็ุเนี่ยมันวางจันทีอันนี้ง่ายอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเราเห็นโทษมันเนี่เราก็ตีกับอันไดฉะนั้นอันใดเรายังไม่เห็นโทษมันนันจคิดๆต่้งกลางอยนั่นก็เป็นยากหน่อยเสนอสต้องติดธนาจะต้องภาวนาอันนี้เป็นเหตุผลในวันนี้สําหรับในปรรจุทุกการ ผู้กครองทั้งหลายมื่อโอวาวันนี้ผลสืสิ้นนี้ขออบธรรมโอวาทํามตงสอนนนนี้ให้ผกครอทั้งหลายในชนิดในสิ่งต่อหน้าอันใดมันสมควรแกโปทั้ทั้งหลายและปะนามมาประพฤต His His <w maintenant S 1> <Al> ิปฏิบ <r> ัติใสมควรเหมาะอัศจรรยัีลาของจะา้องในผลสืบสีโดยนาแห่งคุณปฏิรชนาจายอันนี้ขอกครองทั้งหลายของพรสัยนเป็นสุด ไตรสุทธรรมาต้องโอ้โหสมเด็ดไตรมาสทีเจ้าของเราตลอดกาลนานคือ